เรื่องชิ้นเนื้อสองเรื่องสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งถือเอาชิ้นเนื้อที่เหี่ยวเฉียวออกมาด้วยตั้งใจว่าจะคืนให้เจ้าของแต่เจ้าของของเนื้อกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตรปาราชิกหรือหนอจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุเธอไม่มีทายจิต ไม่ต้องอาบัตวงเล็บเรื่องที่99สมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งมีทายจิตคิดว่าเจ้าของจะเห็นได้ถือเอาชิ้นเนื้อที่เหี่ยวเฉียวออกมาพวกเจ้าของเนื้อกล่าวหาภิกษุนั้นว่าท่านไม่เป็นพระท่านเกิดความกังวลใจว่าเราต้องอาบัตปาราชิกหรือหนอจึงนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุ